ตอนนี้ก็ถือว่าเป็นปีใหม่แล้วถึงแม้ว่าแสงแรกนะยังไม่ปรากฏตอนนี้ตัวเราก็อยู่ปีใหม่แล้วอยาให้ใหม่แต่ปีอยาให้ใหม่นะแ ต, นะแต่ตัวนะให้ใจเราใหม่ด้วยอย่างที่บอกไว้แล้วว่าใจเราจะใหม่ได้ก็เพราะว่าเรา ปดเปลืองใจให้เป็นอิสระนะจากความทุกข์หรือว่า <c oughs> เรื่องฝังใจต่างๆในอดีตอะไรที่มันสร้างความทุกข์ให้กกบจิตใจปวดโกรธแค้นนะก็ให้มันเป็นอดีตไปซะโกรธใครนะก็อย่าให้โกรธข้ามปีให้อภัยก็สะนะหรือว่าถ้า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 ที่บีบคั้นจิตใจของเราก็อย่าให้เศร้าข้ามปีนะถึงเวลาแล้วนะที่ต้องปล่อยต้องวางก็เหมือนกับว่าปล่อยให้เขารอยไปตามกระแสะน้ำนะหรือว่าไหลไปตามกระแสะเวลานะที่ไม่มีโอกาสจะหวนกลับได้นี่ขเตี ก, กันนะก็พยายามทำ สิ่งดีๆใหนะ้ให้กับจิตใจของเราใจของเรานี่สามารถจะใหม่ได้ทุกวันนะสามารถจะใหม่ได้ทุกขณะจยิงเท่าว่าตามตามหลักธรรมชาติก็ใหม่เสมอแต่ว่าจิตที่ดับแล้วก็เกิดใหม่เนี่ยมันจะไม่ตายจากจิตที่เพิ่งดับไปนะ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 โกรธความเศร้าความเสียใจความคับแคนหรือความสึกผิดนะก็ไอติฐที่เกิดขึ้นใหม่นะั่นก็ควรจะใหม่จริงๆนะไม่มีข้อไม่มีร่องรอยของนะอารมณ์ความรู้สึกอย่างนั้นนะติดทางอยู่มันก็ไม่ใช่ว่าจะทำได้ง่ายนะแต่ว่าทำได้นะถ้าเราฝึกการที่เรา ทำความดีสร้างกุศลอันนี้มันก็เป็นส่วนหนึ่งเป็นวิธีหนึ่งนะที่จะช่วยทำให้จิตของเราใหม่ความประเพณีไทยนะพอถึงปีใหม่สมัยก่อนปีใหม่คือในะช่วงเมษานั่นแหละหรือสงกรานต์ก็ทำความดีสร้างกุศลกันเช่นใส่บาตรนะเลี้ยงพระส่งน้ำพระ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 อยู่ที่ว่าเราจะมองเห็นหรือเปล่านะถ้ามองไม่เป็นล้วก็เห็นแต่ทุกข์นะทั้งๆ ท, ที่ชีวิตมีความสุขสบายนะกินอิ่มนอนอุ่นมีคนรักอยู่รอบตัวร่างกายก็ไม่เจ็บไม่ป่วยแต่ก็เห็นแต่ทุกขนะ์เห็นแต่สิ่งที่เตืองไม่มี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 เกิดขึ้นในอดีตแล้วก็ละมันไปแล้วแต่ความทุกข์ที่จะเกิดขึ้นในปัจจุบันหรือในปีนี้เนี่ยมันก็จะมีมาเรื่อยๆทุกเก่าวางได้แล้วนะแต่ทุกใหม่ยังแบกอยู่นะอันนี้ก็ยังไม่ถูกเป็นกันนะมันก็ทําให้จิตใจหดหู่ได้จิตใจ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 หรือว่าสัมผัสด้วยกายรวมเป็นการเกิดเหตุการณ์ต่างๆสถานการณ์รอบตัวเหตุการณ์บ้านเมืองภาวะเศรษฐกิจไม่ดีอากาศแปรเปลี่ยนให้พวกนี้นี่มันไม่สามารถทำให้ใจทุกข์ได้นะถ้าหากว่าใจไม่ไปยึดเอาไว้หรือม่ไปจดจ้องนะ ทุกเพราะแบกเนี่หนูเพราะชาติวันเนี่ยทุกมีเพราะยึดทุกยึดเพราะอยากทุกมากเพราะปล่อยทุกน้อยเพราะหยุดทุกทุกหลุดเ พ, พราะปล่อยกิงอยู่ชีวิตเราก็มีปัญหามาอยู่เรื่อยๆแต่ปัญหานี่มันจะไม่ทําให้เป็นทุกนะถ้าไม่ไแบกมั น, นปัญหามีไว้แก้นะไม่ได้มีไว้แบกจนกลุ้ม มีก็แก้ไปรถยนตเนย์เสียก็ซ่อมมันไปเวลาเราซ่อมเราก็ไม่ต้องแบกรถนะแต่บางคนถึงแม้ไม่ซ่อมแต่ก็แบกเอาไว้แบกไว้ไวในใจลดเสียนะหรือว่ารถมีรอยขีดข่วนก็แบกไว้ในใจมีหนี้สินหนี้สินนี่ก็ หน้าที่ของเราก็คือชําระนะไม่ใช่เอาไว้แบกนะบางคนชําระก็ไม่ชําระนะแต่ว่าแบกเอาไว้ส่วนคนที่ฉลาดนี่เขาชําระนะแต่เขาไม่แบกมันนะถึงเวลากินข้าวก็กินอย่างมีความสุขถึงเวลานอนก็นอนหลับไม่ต้องเอามือก่หน้าผากถึงเวลาอยู่กับลูกใจก็อยู่กับลูกเต็มร้อยนะไม่ต้องคิดเรื่องนี่สิทอะไรเสียงก็เหมือนกันนะเสียงเนี่ย มันจะดังแค่ไหนถ้าใจเราไม่ไปยึดไม่ไม่เอาหูไปรองเกี้ยนะไม่ไปต่อรอ่าต่อเถียงกับเสียงนั้นเนะี่ยเสียงมันก็ทําอะไรเราไม่ได้ใครจะพูดใครจะดา่าใครจะว่านะก็ใจก็ไม่ทุกข์มาเพราะไม่เป็นนึกอันนี้เราว่านะให้ฉลาดนะในการเกี่ยวข้องกับความทั่วคือละทุกข์ได้ไว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 ถึงปล่อยมันทิ่มแทงใจเหมือนกับว่านะมีความสุขนะที่ซ้ำเติมตัวเองอันนี้ภาษาพจนหลังก็เรียกว่าเนี่ยมาโซคิสนะมาโซคิสนี่คือคื อ, ค อ, คอพวกที่สุขที่ได้ทำร้ายตัวเองคนทั่วไปก็เป็นอย่างนี้กันทั้งนั้นนะหรือถ้าผู้ยานเกินพวกอตตากิริมาถานุโยกนะ อันตรกิลบัณฑ์เนี่ไม่ใช่พวกหรือศี chi ไพรในสมัยพุทธกาลหรือว่าที่อินเดียเท่านั้นนะคือพวกที่มีที่ชอบทรมานตนนะอพวกหรือศี chi ไพรนี่ทรมานกายนะแต่ว่าถ้าคนจนํานวนไม่น้อยเนียเน่ยชอบทรมานใจของตัวชอบสร้างทุกข์ให้กับใจซ้ำเติมใจด้วยความโกรธด้วยความเกลียดด้วยความเศร้าด้วยความรู้สึกผิดคิดแล้วคิดเล่า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 ไม่ต้องไปไม่ต้องไปทําอะไรกับมันนะไม่ต้องไปกดข่มมันด้วยซ้ําไม่ต้องไปหาทางบี้หาทางผักสายมันไปเนาะคนมีคนเคยมีคนทานหลวงปูด่ดูนนะตุนโลนะลด้วยแลของหลวงปู่มาว่าหลวงปู่ทํมาจะตัดความกดให้ขาดได้หลวงปู่ถ้าบอกไม่มีใครตัดให้ขาดได้หรอกนะมีแต่รูดทันมันเมื่อรูดทันมันมันก็ดับไปเอง เมื่อรู้ทันมันมันก็ดับไปเองรู้ทันด้วยอะไรรู้ทันด้วยสตินะใจตื่นนะพอมันตื่นนยมันก็หลุดจากความความโกรธหลุดจากความความเศร้าได้ไม่ว่าโกรธไม่ว่าเศร้าไม่ว่าเสียใจมันก็หลงชนิดหนึ่งนะที่จริงโลภะโทสะนี่ก็คือโมหานั่นแหละหรือว่ามันเป็นผลของโมหะนะพอโมหะรื้อหลงแล้วมันก็เลย เกิดโลภะโทสะขึ้นมาแล้วถ้าใจตื่นรู้เนี่ยมันก็จะละทุกข์ได้ไวและใจก็จะเปิดรับความสุขได้ง่ายอเพียงแค่ ใ, ใจเปิดกว้างก็เห็นสุขหรือรับความสุขได้ไม่ยากถ้ามีเพื่อนคนหนึ่งเนี่ยเขาเป็นคนที่ขยันทำงานมากนะ ทำงานเกี่ยวกับเรื่องคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับเรื่องการใช้ความคิดก็คิดคิดตลอดเวลาแล้ววันหนึ่งพราะตัวเองเนี่ยเป็นไส้เลื่อนนะก็ไปผ่าไส้เลื่อนอยู่ที่โรงพยาบาลสองวันกลับมาพักพื้นที่บ้านนานเป็นอาทิตย์เป็นครั้งแรกที่เขาทำงานแล้วไม่ค่อยได้นะจะขย ient ขยับอะไรก็ลำบากก็เลยถือโอกาสนะนะพักซะเลยนะ งานวันวันนี้ก็นั่งเป็นส่วนใหญ่จะเดินก็ไม่ได้ียบเคลื่อนอะไรก็ลำบากมีช่วงหนึ่งตอนบ่ายๆก็ไปนั่งเอกขนเอกอยู่นะที่ระเบียงหลังบ้านซึ่งก็อยู่แถวชานกรุง หลังบ้านก็มีต้นไม้นะใหญ่ๆอยู่หลายต้นช่างภาก็ดินเสียงนกนะทีแรกก็นกเขานะตอนหลังก็มีนกชนิดอื่นๆร้องนกเขาก็ไม่ได้มีแค่ตัวเดียวก็มีหลายตัวก็ร้องก็สารเสียงกันเสียงนี้ไพเราะมากไพเราะจนเขาสึกดื่นดามซาบซึ้งนะ้นําตาคลอมีความสุขมากช่างภาก็กรฉุกคิดขึ้นมาว่าเอ๊ เขาอยู่บ้านนี้มาเขาอยู่บ้านนี้ตั้งแต่ลูกสาวนี่ยังเรียนอนุ บ, ลบาลอยู่เลยตอนนี้ลูกสาวเข้ามายิทยาลัยแล้วใกล้จะจบแล้วมันก็เกือบยี่สิบปีแล้วนะอยู่บ้านนี้มาเนี่ยทำไมเพิ่งได้ยินเสียงนกร้องทำไมเพิ่งได้ยินเสียงไพร่เราะอย่างนั้นถามว่านกเนี่ยนะมันเพิ่งร้องวันนั้นหรือเปล่านะ ยงนกมันร้องทุกวันเน่ยแต่เขาไม่เคยได้ยินเลยอยู่บ้านมา20ปีไม่เคยได้ยินเสียงนกร้องเลยเพราะอะไรนะเพราะใจมันวุ่ น, นคิดถึงงานนกบุนอยู่กับอดีตมองไปอนาคตใจเขาไม่เคยได้อยู่กับปัจจุบันเท่าไหร่ใจเขาไม่ค่อยเปิดกว้างรับนะสิ่งที่เป็นปัจจุบัน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 พ้าคนเราต้งใจเปิดจริงๆนี่พบสุขได้ทุกขนาดนะเหมือนกันที่เราสามารถจะสัมผัสกับความความสงบได้ทุกเวลาคนที่หาความสุขนะแต่ว่าไปไม่ต่างจากปลาที่สแวนะสแวงหาน้ำเนี่จริงๆปลาเนี่ยมันไม่ต้องแสวงหาน้ํำเลยนะเพราะว่ามันอยู่กับน้ําตลอดเวลาอยู่แล้วนะแต่มันมองไม่เห็นมันก็ไปหาน้ํา น้ำนี่อยู่กับปลาตลอดเวลาเมื่อความสุขที่อยู่กับเราตลอดเวลาเพี่ยงแต่ว่าเราไม่รู้ไม่เห็นนะก็ถึงไปสแสวงหามันอยู่ร่ําไปแม้นยามทุกนะก็สุขก็ยังพบได้ไม่ยากหรือว่ายังสาสุขพบได้พอาจาย์ตรัสว่าเนี่ยผู้มีปัญญาแม้ประสบทุกข์ก็ยังหาสุขพบพบที่ไหนพบที่ใจนะใจที่ตื่นรู้ใจที่ ใจที่อยู่กับปัจจุบันใจที่ฉลาดในการมองเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะมีใจที่ใหม่นะมีใจที่สดชื่นรื่นเริงเบิกบานในแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยนอกจากการทำความดีการเอื้อเฟื้อเกื้อกูกลผู้อื่นการสร้างบุญสร้างบุญศรัทธเนี่ยสามอย่างนี้จำเป็นมากนะก็ะคือว่าเรา สามารถที่จะเห็นสุขทุกขณะลาทุกได้ไหวแล้วก็จิตใจตื่นรู้อยู่เสมออันนี้จะเรียกเป็นภาวนาอย่างหนึ่งก็ได้นะภาวนาคือการทำให้จิตใจเจริญ ง, งอกงามถ้าเราฝึกฝนนะโดยเพราะการทำให้มีสติรู้ตัวอยู่อย่างต่อเนื่องนะมันก็เราก็จะเห็นสุขได้มากขึ้นมากขึ้น ได้เห็นบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นจนกระทั่งแม้นยามเจ็บยามป่ว ย, ก, ย ก, ก็ยังมีความสุขได้นะกายป่วยก็จริงแต่ว่าใจไม่ได้ป่วยเลยนะใจก็ยังสงบเย็นนะอันนี้เพราะทมเพราะธรรมะนะย อย่างที่ผููและมุกไว้เมื่อวานนะทำที่ประพฤติ ด, ดีแล้วย่อมนางสุขมาให้ทำที่ว่านี้ไม่ได้หมายถึงการให้ทานกับรักษาศีลเท่านั้นแต่รวมถึงการอ่าทําความเจริญเงี่ยงงามให้เกิดขึ้นในใจนะการชําระติตของตนให้ขาวรอบนะหรือว่าการทําความเพียรทางจิตให้ยิ่งนะอย่างที่เราสวนในโอวัตถปาติโม่เนี่ยอันนี้มันเป็นสิ่งสาคัญนะ ซึ่งถ้าเราทําทําถูกเนี่ยเราก็จะพบสุขได้ทุกขณะเราก็จะละทุกได้ไวนะาจาก็ตื่นรือเสมอวันนี้มันก็ยังช่วยทําให้เราเนี่ยมีความพร้อมในการที่จ ะ, ะเผชิญกับความเปลี่ยนแปล ง, ปลงต่างๆที่จะเกิดขึ้นนะมันมันจะมามันเป็นสิ่งที่เราต้องเจอเนะในปีนี้ อย่างแน่นอนไม่ไม่มากก็น้อยไม่ช้าก็เร็วปีนี้เนี่ยมันก็ย่อมไม่เหมือนกับปีที่แล้วมันย่อมมีอะไรใหม่หม่มันย่อมเกิดความเปลี่ยนแปลงและความเปลี่ยนแปลงนี่มันก็มียอสองอย่างเท่านั้นแหละก็คือความเปลี่ยนแปลงที่ดีคือถูกใจเรา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 จนลืมตัวโปรดเพลินในสุขนะมันก็เป็นโทษเหมือนกันนะครูเจ้าตัดว่าเนี่ยผลแห่งความดีเนี่ยยอมเป็นพิษแก่ผู้ที่ไม่พิจารณาผลแห่งความดีนะก็เช่นลาบสักการะคำสรรเสริญแล้วถ้าเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเราเพลินนะไม่พิจารณา มันย่อมกลายเป็นพิษนะพน้นจ่งความดีย่อมเป็นพิษแก่ผู้ไม่พิจารณาคือว่าประมาทหลงไหลมัวเมาเนพอประมาทแล้วเนี่ยก็อันตรายแล้วเนี่ยเม่ว่าประมาทเพราะสุขหรือเพราะความสําเร็จก็ตามหรือเพราะมีสุขภาพดีก็ตามเนี่ยอันนี้ก็อันตรายเพราะว่าพอมันแปกเปลี่ยนไป ก็เหมือนกับเทวดาตกสวรรค์นะหรือว่าเหมือนกับเราเนี่ยลอยขึ้นไปบนฟ้าด้วยเรื่องำนาจของบอลลูนนะขึ้นบอลลูนลอยขึ้นไปอยู่ดีบอลลูนมันแตกก็ตกลงมาคนที่เพลินในสุขก็จะเป็นอย่างนั้นันแหละสุกมันก็ทำให้ใจลอยแต่พอสุขมันหายไป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 ตกเพราะอะไรตกเพราะเราเพลินนะเพลินในคาําสารเสวนเมื่อเพลินในคาําสารเสวนนะพอเจอคําตําหนิต่อว่าดาทอนนะมันก็ตกเลยนั่นถ้าไม่อยากทุกข์เพราะคําต่ว่าดาทอก็อย่าไปเพลินนะในคาําสารเสวนให้พิจารณ า, าเออมันเป็นธรรมดานะคนชมมันมีคนชมก็ต้องมีคนตําหนิเนะียเอ่อ ทุกไลฟ์นะที่คนกดนะมันก็จะมีคนที่อยากจะกดนะอันไล์ like หรือดิสไลฟ์นะคือไม่ชอบด้วยเหมือนกันนะทุกคำชมนะที่เราได้รับจากคนรอบตัวมันก็จะมีคำสาระคำตำหนินะเกิดขึ้นคู่กันไปด้วยเพียงแต่ว่ามันจะเข้าหูเราหรือไปหรือไม่เท่านั้นเองแต่ถ้าเขาเข้าหูเมื่อไหร่ก็ทุกเมื่อ น, นั้นนะ เพราะฉะนั้นเนี่ยก็อย่าไปก็อย่าไปเพลินกับมันนะสุขกับมันได้นะแต่ว่าอย่าเพลินนะจนประมาทมีคนเขาพูดดีว่าเนี่ยคำชมคำสารเสรญนี่ก็เหมือนกับหมักฝรั่งนะเคี้ยวได้แต่อย่า ก, กลืนนะเพราะถ้ากลืนแล้วมันไม่เป็นผลดีมันเป็นผลเสียต่อสุขภาพอันนี้คงไม่ใช่เฉพาะคำสารเสวนอย่างเดียวนะ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 ไม่มากก็น้อยไม่ช้าก็เร็วก็ต้องเตรียมใจเอาไว้นะทุกชาติเราก็สัดวกันนะเราทั้งหลายเป็นผู้ที่ถูกความทุกข์ย่างออกแล้วเป็นผู้ที่มีความทุกข์เป็นเบื้องหน้าแล้วนะความทุกข์มันก็ต้องมาแน่นะอยู่ที่ว่าจะมาเมื่อไหร่เราก็ต้องเตรียมใจเอาไว้นะเตรียมใจเอาไว้ และการที่เราไม่เพล่ดเพลินลงไหลในความสุขก็เป็นวิธีการเตรียมใจอย่างหนึ่งนี่พอมันมาแล้วนี่ก็ถ้าเราเตรียมใจไว้นะไม่ไว่าสิ่งนั้นจะเป็นความสูญเสียนะความเสื่อมราบคาติชินนินทาความเจ็บความป่วยมันเกิดขึ้นเราก็จะไม่ตีโพยตีพายมากจะไม่บ่นโวยวายว่าทำไมต้องเป็นชั้นทาไมต้องเป็นชั้นนะ คนที่บน่นโวยวายเงี้ยแสดงว่าไม่ได้เตรียมตัวเ ต, วตวรียมใจไว้เลยเพราะว่าไอ้สิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเองเนี้ยก็เกิดก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับใครต่อใครมาแล้วแล้วตัวเองก็ยอมได้ยินได้รับรู้มาตลอดว่ามันเกิดขึ้นกับคนนั่นมาเกิดขึ้นกับคนนี้นะจากข่าวจากโทรทัศน์จากหนังสือพิมพ์จากความบอกเล่าเช่นมะเร็งเนี้ยนะมันก็ คนรอบตัวเราก็เป็นไม่มีไม่มีใครนะที่ไม่รู้จักคนที่เป็นมะเร็งบางทีก็อยู่ในบ้านของตัวเองนั่นแหละคือพ่อแม่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามันเกิดขึ้นกับเราเองบ้างเนี่ยก็ไม่ควรที่จะบ่นว่าทําไมถึงต้องเป็นเราที่ต้องต้องถามว่าทําไมจะเป็นเราไม่ได้แล้วคนที่บ่นอย่างนั้นเนี่ยเพราะว่าไม่ได้เตรียมตัวเตรียมใจไว้เลย ทางที่ได้ยินได้ฟังได้รับรู้มาว่ามีคนนี้คนนี้เป็นก็ต้องเตรียมจะเผื่อใจว่ามันจะเกิดขึ้นกับเราก็ได้อันนี้ไม่เป็นการแช่งนะแต่เป็นการเตือนใจให้เตรียมพร้อมอยู่เสมอแในเมื่อมันเกิดขึ้นเราก็จะไม่บน่นไม่โวยวายแล้วคนที้ถ้าเราเตรียมพร้อมดีนะเราก็จะไม่ใช่เพียงแค่ไม่ทุกข์ใจนะเมื่อมันเกิดขึ้นแต่เราก็สามารถจะเปลี่ยนมันให้เป็นประโยชน์ได้ด้วยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เจ้านะ ตัดเหมือนกันนะ ว, ว่าเนี่ยคนที่รู้จักใช้ประโยชน์จากอิทธาลมและอนิธาลมเนี่ ย, อนนยพอผู้มีพระพาจ้าสรารเสรวนผู้นั้นเป็นบัณฑิตนะอิทธาลมก็คือการที่ดีนะเช่นได้ลาบได้ยศนะได้รับความสารเสริญหรือว่าสุขอ น, นิธาลมก็คือเสื่อมลาบเสื่อมยศเจอคํามติชินอินทาและเจอทุกขหรือผู้ยากนคือว่า พัดพาจากสิ่งที่รักประสมกับสิ่งที่ไม่รักอย่างที่เราสวดทุกวันตอนเช้าอันนี้เราอ น, นิจจ่ารมเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยอย่างแรกที่เราควรทำก็คือว่ารักษาใจไม่ให้ทุกข์ถอยมาถ้าจะเสียก็เสียแต่ของเสียแต่เงินหรือถ้าจะเจ็บก็เจ็บแต่กายนะแต่ว่าใจไม่เจ็บอันนี้เลยว่าเสมอตัวนะ ไม่ขาดทุนนะขาดทุนคือว่าเสียทรัพย์แล้วไม่พอนะเสียใจเสียสุขภาพเสียงานการเสียเพื่อนอะไรต่ออะไรต่อพืทอต่อือตามมาหรือป่วยการแล้วก็ป่วยใจยเรื่องนี้เรียกว่าซ้ําเติมตัวเองแล้วคนฉลาดจะไม่ซ้ําเติมตัวเองฉะนั้นก็เสมอตัวหรือดีกว่านั้นคือกําไรนะใช้ประโยชน์จากความทุกข์ที่เกิดขึ้นให้เป็นเครื่องสอนใจ สอนใจให้ไม่ประมาทหรือว่าสอนใจให้เห็นธรรมะหรืออย่างตาๆก็ฝึกใจให้เข้มแข็งฝึกใจให้อดทนเนะีผู้ที่มีประโยชน์ทั้งนั้นเนะี่ยความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับเราจะว่าไปมันก็เป็นของดีนะถ้าว่าเรารู้จักใช้มันเหมือนเหมือนกับทุเรียนนะนะทุเรียนเนี่ยหนามันแหลม แต่ว่าข้างในเนี่ยนะมันมีเนื้อที่หอมหวานความทุกข์ก็เช่นเดียวกันนะแม้มันจะบีบคั้นใจแม้ไม่ทำให้เจ็บปวดแต่ว่ามันก็มีของดีซ่อนอยู่ข้างในนะก็คือธรรมะทุกข์นี่มันสอนธรรมให้กับเราได้สอนธรรมให้เห็นให้เข้าใจแจ่นแจ้งในไจละ่ะ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 อันนี้ก็ไม่ไม่ใช่คนฉลาดแต่ก็อย่างเดียวก็คนที่กอดทุเรือนเอาไว้น ะ, ะมีหลายคนที่กอดทุเรือนเอาไว้ให้มันทิ่มแทงใจให้มันทิ่มแทงตัวอันนี้ไม่ฉลาดแต่ก็มีคนแบบนี้ทำํำกอดทุกข์เอาไว้ให้มันทิ่มแทงใจส่วนฉลาดกว่านั้นดีกว่านั้นหม่ยคือทิ้งมันไปนะไม่เอามาไอความประสบการณ์ที่เลวร้ายในอดีตก็ทิ้งมันไปไม่เอามา ให้มันทิมแทงใจแต่จะดีกว่านั้นถ้าเราไปเก็บเกี่ยวบทเรียนจากมันการเก็บเกี่ยวบทเรียนจากมันเนี่ยก็เหมือนการที่เราปอกเปลือกทุเรียน เ, นยเอาเปลือกแหลมออกแล้วเราก็จะได้เอาเนื้อมากินพวามเจ็บปวดในดีเนี่ยมันก็เฉนี่ความทุกข์ในปัจจุบันหรือความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับเราในอนาคตนะมันมันมีของดีที่จะให้เราได้เรียนรู้หรือชื่อช่วยทให้เราเกิดปัญญาได้ เขาเรียกว่าบทเรียนนะเขาเรียกว่าธรรมะนะนั่นก็ให้เรานะฉลาดนะในการที่จะใช้ทุกที่เกิดขึ้นนะหรือที่จะเกิดมาในอนาคตให้เป็นประโยชน์รนะักษาใจแม่ทุกแล้วยังเอามาใช้เพื่อเพิ่มภูนปัญญานะเหมือนกับขยะปฏิกูลนะที่ นอกจากเราถ้าเราฉลาดเราไม่เอาเอามาใส่เอามาเอามาสูมไว้ในบ้านแม่เก็บเอาขยะมาสูมมากรองไว้ในบ้านเพราะมันส่งกลิ่นเหม็นแต่ว่าเรารู้จักเอาไปวางไว้นะในสวนเพื่อมันเป็นปุ๋ยเป็นปุ๋ยแล้วมันก็จะบํารุงดินมันก็จะทําให้ต้นไม้โตนะใบสวยงามนะออกดอก ที่สวยแล้วก็ให้ผลที่หวานอร่อยนะความทุกข์ก็เป็นอย่างนั้นแหละนะมันสามารถจะเพิ่มพูนสติปัญญาให้กับเราได้ <c oughs> ก็ฝากนะเอะข้อคิดเหล่า น, นี้เอาไว้ให้พวกเราเพื่อนําไปใช้ในการดำเ น, นชิดนะในปีใหม่นะเรื่องแต่วันนี้เพื่อให้ใจเรามีความสุขนะเพื่อชิดเราพบกับความสงบเย็น แล้วก็สามารถผ่านพ้นอุปสรรคทั้งหลายได้ดี